بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا b والسلام على ا ش آ إ إلى ر ف ا ل u ن ب ي ا ء و ا ل م l a ashrafil Anbia wal Musallim. Waala aalihi wa a s h a b i ب i wa mantabihi b ر لي s م ر ي و l a ل o m i d d i n r o b b ي s h r a و i s ส a i k u m t u l l ท่านฮมนานานาซึ่งเป็นนายกสมาคมอาจารย์อัตุลกุนีพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาที่รักทั้งหลายครับบมลล์ดีใจนะครับที่ สมาคมเปิดกว้างที่จะให้ท่านพี่น้องได้รับใช้งานศาสนาของอัลลอฮสุบฮานาฮูวตาดะซึ่งงานศาสนาเนี่ไม่ใช่สอนเฉพาะคนผู้ใหญ่ใกล้จะตายอย่างเดียวแม้แต่เด็กๆหลานๆ ล, ลูกๆเด็กนุมนะครับเยาวชน ทางมุสลิมมาและมุสลิมเนี่มีกิจกรรมอีกเยอะแยะในศาสนาอิลอสลามดีใจนะครับที่ได้มานั่งอยู่ในสถานที่ซึ่งอายุเก้าสิบปีโอโ้โหนี่แกกับผมทั้งหลายปีทำดีแล้วเป็นสถานที่ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเนี่ยเป็นห่วงศาสนากันมา ได้บริจาคได้วากัฟที่ให้รับใช้งานาศาสนาของอัลลอฮฺสุบไพรนะฮูวาจาามูลนิธิหรือว่าสมาคมนี่พี่น้องมันก็ทำงานไม่ต่างอะไรกับมัสยิดนะนะครับที่นี่ก่อนนมาดได้ใช่ไหมครับอ่านมาดได้มีมุซอลลามีที่นมาดผมเคยมานั่งประชุมในห้องนี้นะหลายครั้งแล้วนะครับ แล้วก็เคยมามาบรรยายด้วยนะครับหลายครั้งอัลฮัมดุลิละดีใจเพิ่งทราบเลยว่าเป็นของนานาไม่ทราบมาก่อนกับอัลฮัมดุลิละพี่น้องครับหัวข้อที่ผมจะคุยกับท่านพี่น้องในวันนี้ก็คือซูรอออัลมุลนะครับซูรอมุลซึ่งเพราะว่ามุลเนี่เราอาจจะไม่เข้าใจอะไรมุล แต่พออ่านก็อ่านสักอายะแรกเนี่ยบ a b a r o k a l a d i b i y a d h i l m u l k u อ้สุรนี้เองกถ้าว่าอัลมุยเนี่ยมันก็จำถ้าอ่านอ่านอายะ tabarokaladibiyadhilmulku w a h w a l a k u l s h a y i n g q a อ่าเพราว่าอย่างนี้นึกออกนึกออกพราะงครับสุรนี้เนี่ยมีทั้งหมดส0มสิบอายะนะครับ ซึ่งเราได้ได้ได้ฟังนะครับบรรยายที่โรงแรมนะครับของท่านมณัตนานานะครับวันนี้ยายมาอยู่ตรงนี้มาถึงอายาที่แดแล้วนะครับวันนี้ขึ้นอายาที่เก้าของสุรนี้นะครับขอเล่าเรื่องเก่านิดหนึ่งสุรนีใครที่อ่านสุรนี้อยู่เป็นประจำ นะครับอ่านอยู่เป็นประจำนะก็ให้ทุกคนอ่านพ่ออ่านคุณแม่อ่านลูกอ่านนะครับอ่านอยู่เป็นประจำเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮฺจะให้ก็คือว่าอัลลอฮฺจะปกป้องคนที่อ่านสุรานี้อยู่เป็นประจำเนี่ยให้ปลอดภัยจากการลงโทษที่สุขสารทําให้เราจะรับความรู้เลยว่าการลงโทษหรือการมีอาดาก ในสุาสานนี้มีจริงครับมีจริงครับการลงโทษที่สุาสานนี่เป็นเรื่องจริงพี่น้องซึ่งในอัลกุรอานก็ได้สรุปเอาไว้ฮดี ي ของท่านนาบีหลายบทพี่น้องได้พูดที่เรื่องการลงโทษการทรมานที่สุาสานฉะนั้นใครที่อ่านสุระอนนี้นะครับอัลลอฮฺจะให้ความปลอดภัยจะไม่ถูกการลงโทษที่สุาสาน แต่ไม่ใช่อา่านโซลอนี้อย่างเดียวอย่างอื่นไม่ได้ทํานี่ไม่ใช่นะครับต้องเคร่งครัดต้องเคร่งครัดพี่น้องต้องนำมาให้ครบวันละห้าเวลานะครับแล้วก็เดือนมกราคมม า, มาต้องถือศีลอดต้องทําดีกับคุณพ่อคุณแม่ทําดีกับภรรยาดูแลลูกเต้าให้ดีพี่น้องแล้วก็มีประกาศต้องจ่ายจ่ายทั้งประกาศทั้งโซลก็ ทางคดียและก็วากัปด้วยต้องทําทั้งหมดพี่น้องแล้วก็ติดต่อกับญาติพี่น้องอย่าทอนลอบ ก, กับญาติพี่น้องพี่น้องให้อภัยกับญาติพี่น้องที่เขาอาจจะนินทาเราว่าเราใส่ร้ายเรามองข้ามไปหมดพี่น้องเราหวังว่าการอ่านคัรอ่านสุร้อนี้อยู่เป็นประจำแต่ต้องอ่านทุกวันนะไม่ใช่อ่านทีละครั้งพี่น้องต้องอ่านทุกวัน ไม่ช่วงเช้าก่อเย็นไม่เย็นก่อกลางคืนแล้วมันก็ก่อนนอนพยายามอ่านให้มันจําเลยไปน้องผมจําได้ผมท่องอ่านกรุณาญานี่จำนะเนี่ยพรคุณแม่สอนสอนก่อนนอนไปน้องกี่ปีนล่ประมาสักหกสิบปีแล้วนี่ <c oughs> คุณแม่อ่านทุกคืนทุกคืนทุกคื น, นเราจําโดยอัตโนมัติเลยไปนอ้อนัำดีแล้วขอบคุณ Allah, อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى การใครที่อ่านสุราเนี่นะครับท大巴รักัลลีบียะดิฮิลมุลกุะฮฺวาลาหุลิชาอิงกอดีใน hadis ที่ไปอย่างนี้นะครับนสุราซาลาซูนาอ้ายตันชฟิอตลิซฮิบิฮะฮัตตากุฟิรัลรกวะตาลา الذي تبارك الذي بيده الملک وهو على كل شيء قدير ในสุรานี้มีทั้งหมดสามสิบอัยะอรรพี่น้องไม่เยอะเลย30อายะไม่เยอะพี่น้องฉะนั้นคนที่อ่าน30อายะนี้ชูฟิอัตลิซออฮิบิฮาจะได้รับการช่วยเหลือผู้ที่เป็นเจ้าของมันมันถึงคนที่อ่านมันทบทวนอายะ สุรรนี้อยู่เป็นประจำจนกระทั่งการให้อภัยนะครับเขาจะได้รับการอาภัยโทษต่อเลาะพี่น้องโทษในกุโบนี่หนักนะโทษในสุสานมีหนักนะผมจะยกมาสักสามส่ข้อโทษในสุสานมีอะไรบ้างพี่น้องหนึ่งขาดนามาดไม่นามาดให้ครบวันและห้าเวลานี่ถูกเล่นงานแน่ๆครับสอง นะครับนินทาคนว่าคนใส่ร้า ย, ายคนทำหนี้คนดูถูกคนไปน้องนี่ก็เป็นเป็นบาปอันใหญ่หลวงไปน้องแล้วข้อที่สามไปน้องกินดอกเบี้ยเอาหล่อนิ่โทษหนักมากนะไปน้องนี่ไม่ได้พูดโดยตั้งใจนะนี่กินนะไป น, น้องมีสามข้อแล้วไปน้องข้อที่สี่นี่ไน้อง ผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลายืนปัสสาวะเนี่ยความจริงยืนปัสสาวะเนี่ยได้ถ้ามีความจําเป็นเช่นกางเกงมันรัดเกินไปนั่งฉี่ไม่ได้ยืนฉี่จะทําได้แต่ต้องระวังให้ดีนะต้องล้างให้สะอาดแต่ถ้าหากว่าล้างไม่สะอาดนะนั่นคือการลงโทษที่สุสานแน่ๆนะครับพี่น้องสี่ข้อนี้พี่น้องครับ มันเป็นงานที่เราไม่รู้มาก่อ น, นี่น้องมันเป็นความลับที่อัลลอเล่าผ่านนบีมุฮัมมัดให้นบี ม, มาสอนอุมม่าของนบีมุฮัมมัดด้วยว่าระวังให้ดีนะดีข้อนี้อย่าให้เป็นปัญหาแต่หากว่าท่านเนี่ยละเลยในสิ่งเหล่านี้เช่นยืนปัสสาวะี่น้องแล้วก็ล้างไม่สะอาดแล้วก็รูดซิปไปน้องผันสบายแล้วเหมือนคนกาเฟท่ทั่วๆไปี่น้อง อย่าลืมว่น้ำปัสสาวะหยดหนึ่งที่ที่มตะถูกกางเกงแล้วก็อากางเกงชุนนี้แหละไปน้ำหมาดไปน้องอัลลัสจะไม่รับน้มาด ก, ก็เพราะมันสกปรกนะไปน้องแม mm ้จะติดที่กางเกงในก็เหมือนกันก็จะต้องดูแลให้มันสะอาดนะไปน้องยก mm hmm. เว้นคนที่เป็นโรคชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าโรคอะไรนะโรคต่อมลูกหมากาโตหรือต่อมลูกหมากมีปัญหาไปน้องอย่างเนี้ยนะครับเราก็มี มีกระดัษที่ชู่เนี่ยรองรับไว้ด้วยพี่น้องถ้าจะเข้าหน้าหมายก็พยายามเอากระดัษที่ชั่รองรับไว้เพื่อปอกป้องสิ่งเหล่านี้อันนี้มันเป็นคนคนป่วยเนี่ยอัลลออนุญาตให้นะครับพี่น้องใส่สีข้อหข้อที่ผมนำเสนอ น, นี่พี่น้องครับถ้าเราเคยทำมารู้เองว่าจะต้องตายแน่ๆมีอยู่อย่างเดียวก็คือเตาบ้าตัวต่อลา การตบบาตัวเป็นเรื่องใหญ่มากพี่น้องอัลลอ์เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เมตตานะครับพี่น้องให้อภัยโทษกับคนที่ทำผิดทำผิดแล้วพี่น้องสารภาพผิดต่ออัลลอ์แล้วก็กลับเนื้อกลับตัวพี่น้องไม่หันไปทำความชั่วเหมือนเดิมนะครับเอาอย่างยกตัวอย่างเรื่องนินทาวันนี้อายุเราห้าสิบแล้วสี่สิบแล้ ว, ลวเพิ่งมารู้ว่าการนินทาเนี่ยมันบาป บาปนี้ถูกลงโทษที่สูสารไม่พอในวันอาคิรักก็ถูงอีกนะครับพี่น้องฉะนั้นเมื่อเราฟังศาสนาฟังไปฟังไปโอ้เข้าใจศานาะเตาบ้าตัวซะพี่น้องเลิกเสียใจในความผิดที่ทํามาในอดีต ท, ทั้งหมดแล้วก็ถอนตัวออกจากความผิดอั น, นั้นแล้วก็ไม่หันกลับไปทำทำบาปอีกทําความชั่วอีกเรียกว่าเตาบ้าตัวฉะนั้นคนที่เตาบ้าตัวสารภาพผิดก็รอดนั้นเป็นคนดีนะครับพี่น้องทั้งหลาย เพราะฉะนั้นกุรานซูร้อนนี้ช่วยได้แต่ช่วยเฉพาะคนที่แข่งขัดให้ความสําคัญกับศาสนาอัลซูร้อนนี้จึงมีโอกาสช่วยให้คนเนี้ยถ้ามีการลงโทษที่กูโบอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆอัลลอฮ์ก็จะยกโทษให้อินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับตัวที่จะช่วยเราในกูโบเนี่ยมันมีอยู่เยอะพี่น้องนะครับ หนึ่งก็คืออ่านสุร้อนนี้สองเต่าบ้าตัวต่ออัลลอฮฺไปน้องอีกข้อหนึ่งนะครับที่จะช่วยเราที่อยู่ในสุสานได้เช่นเรามีลูกลูกชายหรือลูกสาวไปน้องคุณพ่อเสียชีวิตยกตัวอย่างว่าเสียชีวิตแล้วก็มีลูกมีลูกสาวมีลูกชายอยู่เอาสี่คนลูกชายสองลูกสาวสองทั้งลูกสาวและลูกชายนี่ไปน้องครับ นามาดของลูกสี่คนนี่ไม่ขาดเลยนะครับล้วลูกทั้งสี่คนเนี่ยมันขอทูลอาต่ออัลลอฮฺให้กับคุณพ่อหรือคุณแม่ที่นอนอยู่ในสุสานการขอทูลอาของลูกนะครับเพื่น้องด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์จริงๆอย่าอัลลอฮฺอัลลอฮฺจ๋าอย่าลงโทษคุณพ่อฉะเลยอย่าลงโทษคุณแม่ฉะเลยพื่น้องอย่างนี้นะขอทุกวันวันละห้าเวลาสิ่งที่อัลลอฮฺจะให้ก็คือ อัลลอฮ์จะเพิ่มผลบุญอัลลอฮ์พี่น้องเพิ่มรางวาัลเพิ่มความดีให้อยู่ในบัญชีของคุณพ่อเองฮะดีสบทหนึ่งของท่านนาบีนบีสอนอย่างนี้พี่น้องที่เอาหะดีสมาสอนเนี่ยเพราะฮะดีสเนี่ยเป็นคําสอนที่มาจากท่านนาบีเป็นวะฮีทั้งหบดไม่ใช่นบีคิดเองเลยพี่น้องนะอัลลอฮ์ให้จิบรีนเนี่ยมาบอกกับนบีให้นบีมาสอนฉะนั้น น บ, บีสอนอยู่หัจย์บดหนึ่งนะครับว่าคุณพ่อคนหนึ่งในเป็นน้องครับเขารู้ตัวว่าเขาเนี่ยเป็นคนทําบาปเยอะตอนที่เขาตายเนี่ยเขารู้ว่าเขาเนี่มีบาปเยอะเป็น้องแต่พอฟื้นขึ้นมาในวันตี亚马เนี่ยปรากฏว่าในสมุดบัญชีของคุณพ่อเนี่ยมีแต่ของดีดีดีดีเต็มไปหมดคุณพ่อก็อเห็นเห็นบัญชีก็ น, นึก ความดีของฉันมาจากไหนก็ถามมาถามอัลลอฮ์นี่ความดีของฉันฉันไม่ได้ทำทำไมมันเยอะขนาดนี้หละอัลลอฮ์ก็ตอบบอกว่าเพราะลูกของคุณตอนที่คุณตายเนี่ยลูกของคุณเข้าเรียนศาสนาเขาสนใจศาสนาเขามีศาสนาเขานมาสาเป็นประจำแล้วก็เขาขออุอายกโทษให้กับคุณพ่ออัลฮัมดุลิลลา์ครับพี่น้องทั้งหลาย ฉะนั้นในตัวช่วยที่จะให้เราเนี่ยไม่ถูกลงโทษที่สุตรที่สูสารที่กูบูมีอยู่หลายอย่างหนึ่งตัวเองเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์สองตัวเองฝึกอ่านอัลกรุรอานตัวยิ่งโมอัลลัฟเนี่ยผมดีใจมากนะครับมมอัลลัฟที่สามารถอ่านอัลกรุรอานได้แล้วยังแปลกรุรอานได้อย่าง阿里เมื่อกี้เนี่ยเป็นน้องอ่านกรุรอานด้วยแล้วก็สะดให้ฟังด้วยแล้วก็แปลอายะอัลกรุรอาน อัลลอฮ์พุละบุญอันนี้ถึงกับคนที่รับผิดชอบแม้แต่คนที่บริจาคอาคารนี้พี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วพนลบุญนี้ก็ถึงกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเพราะว่าเราทําความดีเพื่อที่จะให้ผู้คนได้หันมาสนใจศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้รางวัลตอบแทนกับคนทุกคนนะจ๊ะพี่นอ้องทั้งหลายหนึ่งตัวช่วยหนึ่งอ่านพูดอ่านสุรานี้อยู่เป็นประจํา ความจริงอ่านโซโลอื่นก็ได้พี่น้องแต่โซโลนี้น่ะเน้นเน้นให้เน้นดูความหมายของอัลกุรอานสองเต่าบ้าตัวต่ออัลลอฮ์สามพี่น้องนี่ไงลูกลูกลหลานของเราที่เราส่งเรียนศาสนาให้เข้าใจศาสนาได้อ่านคุรอ่านได้พี่น้องแล้วลูกก็ขออุทิศให้กับพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วนี่ตัวช่วยเนี่ยมีอยู่สามรายการที่ผู้นําเสนอแต่ยังมีอีกนะครับพี่น้อง วันนี้เอาแค่สามรายการนี้ก่อนนะคุณพี่น้องทั้งหลายเอาวันนี้มาอายาที่เก้านะครับพี่น้องกาลูบะลากดจจะอันะนัซรฟะกะรับนาวะฟุลนามานัสซัลลัลลอฮุมิญชาย อินอัตุมอิลลัฟิ ظلال ิงกับิรอัลลอฮ์อัลกุรอานสบายใจไปน้องอ่ดนกูรานันดูคำแปลนะครับก็ดูคือสาเหตุเป็นอย่างนี้ไปน้องครับก่อนที่จะถึงอายาที่เก้าเนี่ยอายาที่แปดเนี่ยอธิบายบอกว่าทุกครั้งไปน้องทุกครั้ง คนที่ถูกตัดสินให้ลงนรกเนี่ทุกครั้งที่คนจะถูกพาลงนรกนี่พี่น้องจะมีมาเลย์กาพามาในอายะอื่นอธิบายอย่างนี้วัดซีบอลเลนดีนักบุญรูดีล้จะฮันนามาซูมารอคนที่ไม่เอาศาสนาบนโลกดุจยาเนี่ยคนที่แอนตี้ศาสนาคนที่แอนตี้อัลลอฮ คนที่ปฏิเสธสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดเป็นน้องคนที่ดูถูกศาสนาทั้งหมดรวมไปถึงคนที่เค็นฆ่าเป็นน้องมุสลิมเป็น้องเค็นฆาเป็นน้องมุสลิมดูถูกมุสลิมดูถูกสุนนะนาบีดูถูกกุรอานดูถูกแม้แต่เสียงอาจารดูถูกแม้แต่อะไรเนี่ยาทาอะไรเนี่ยทำผ้าของนบีทําเป็นอะไรนั้นละคร ทำลานบีอะไรก็ตามแต่พี่น้องคนเหล่านี้พี่น้องครับอัลลอฮ์จะให้มาลายการเนี่ยต้อนลงสู่นรกเหมือนกับสัตว์นะเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานเหมือนกับแพะแกะวัวควายพี่น้องที่ลงไล่สู่แอ่งน้ํามันอยากจะเข้าพี่น้องพราะเห็นน้ำแล้วมันอยากหมดเลยพี่น้องนึกว่าไปอยู่ในแอ่งน้ํามันจะได้สบายลําบากพี่น้องเวลาจะเข้าเนี่ยเข้าแบบ แบบแบบสัตว์ไปน้องนึกนึกภาพนะมีควายสักร้อยตัวไปน้องเขาก็มันอยากจะกินน้ำํำมันเห็นมันเห็นแอ่งน้าอยากลงมัมยากลงเราตอนต้อนเ น, นี่ยคนไปนรกก็เหมืนอกนกันไปน้องในสภาพเดียวกันไปน้องทีนี้ก่อนที่จะลงนรกจะมีมาลาิกาเนี่ยคนเฝ้านรกไปน้องคนเฝ้านรกทุกครั้งในเวลากลุ่มไหนก็ตามตั้งแต่สมัยนบีอาดัมเรื่อยมาไปน้อง คนละสมัยหนึ่งสมัยใดยุคหนึ่งยุคใดพี่น้องคนที่ไม่เอานาบีอาดามัมวันนั้นลงนรกคนไม่เอานาบีอิบราฮิมลงนรกคนที่ไม่เอานาบีนุ่นนบียูซุกนบีอิสานาบีมุ hammad คนละสมัยกันพี่น้องถูกต้อนลงนรกทุกครั้งที่ถูกต้อนลงนรกจะมีมัลอิกาที่เฝ้านรกนี่ถามถามว่าไงนะนี่ไม่มี นาฬิกนาฬิกหมายถึงคนตักเตือนไม่มีคนตักเตือนเนี่ยมาตักเตือนผู้คุณบ้างหรืออลอลลี่น้องถามอย่างนี้เนี่ยมันแสบหน้าดูเลยนะนี่คุณทําไมปล่อยตัวให้ตกนรกทําไมก่อนหน้านี้เมื่อตอนที่คุณมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยไม่ได้มีนาฬิกคนตักเตือนผู้ตักเตือนหมายถึงนบี ไม่มีนบีมาตักเตือนพวกคุณหรือทําไมคุณจึงปล่อยตัวทัศนานี้คุณน้องครับเนี่ยอายาที่เก้าเนี่ยตอบว่าไงนะกลูบาลาพวกเขาตอบว่ามียอมรับว่ามีคนตักเตือนมาคําว่านาซีหมายถึงใครคุณน้องครับนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะลัยฮุสัยละมยอมรับว่านาบีมุฮัมมัดน่ะมา ก็รูบานาพวกเขาทั้งหลายกล่าวว่าบาลาบาลาเป่าะมีมีคนมาตักเตือนมีคนมาสอนยาก็ดจ ะ, จ ะ, จ ะ, จะอานานาวีสก็แปลว่าแท้จริงแน่นอนได้มีมายังพวกเราแล้วนาวิสแปลว่าผู้ตักเตือนยอมรับพี่น้องไปยอมรับในวันเตียมะ ไปะยอมรับในวันเตียมาว่ามีผู้ตักเตือนมีนบีนี่นำมาสอนพี่น้องคําว่านาบีเนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะพี่น้องทุกยุคทุกสมัยมีนบีมาสอนทั้งหมดและยุคของเราเนี่ยนาเวตก็คือนบีมุฮัมมัดสุลลัลวาเลยยูวาสัลลัมเมื่อสักห้าวันที่แล้วเนี่ย มีมุสลิมคนหนึ่งมาจากประเทศอินเดียนะครับบ้านอยู่ที่อัลลิกัตอัลิกัตที่มีมหาวิทยาลัยอิสลามที่อัลิกัรตยูนิเวอร์สิตี้ที่ที่ที่ที่อินเดียไปน้องซึ่งคนไทยเราไปเรียนกันเยอะที่นั่นเสร็จแล้วครับพระก็มามาแวะมาคุยกับผมคนนี้เป็นคนทำวิจัยรีเสิร์ชเกี่ยวกับสิทธิธรร สิทธาเนี่ยสอนให้รู้จักอัลลอฮ์หรือเปล่าเขบทําวิจัยมาพี่น้องและมอบหนังสือนั่นให้ผมมาเขาบอกว่าสิทธัถาเนี่ยสอนให้รู้จักอัลลอฮ์สอนให้รู้จัก oh, อัอออนอนลลอฮ์นนมมอ oh. อ oh. แล้วก็เพราะว่าสิทธัาพระพุทธเจ้า น, น, นี่พี่น้องสอนเรื่องโลกดุนยาก็สอน สอนดึงชีวิตหลังตายก็สอนอัลลัมบัตซักเนะ่ยแล้วก็สอนวันเตียมะก็สอนสอนเรื่องอัลลอฮ์ก็สอนแต่ความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาถึงประเทศไทยเล็กๆน้อยๆไม่ถึงทั้งหมดเขาว่าสังเกตสิพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลานอนอ่ะท่านอนอ่ะเหมือนใครเป็น้องเกิดสังเกตไหมท่านอนอ่ะเหมือนใคร เหมือนนบีมุฮัมมัดสุลต์มูซัลลัมเนี่ยเอามือขวานี่จับแก้มขวาแล้วนอนตะแคงขวาใครสอนไอ้ท่านอนตะแคงขวานี่ยใครสอนนบีมุฮัมมัดสุลต์ท่านก็นอนตะแคงขวาแล้วก็เขาเอารูปมาครับพอถ่ายรูปมานะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเขาอมีเขายาวพี่น้องผมเห็นแล้วผมก็งงเขาบอกอ่ะ ในเมืองไทยไม่มีข่าวก็ว่าไอ้ที่จริงเนี่ยตัวเขาจะมีข่าวมีข่าวยาแล้วก็สอนเรื่องโลกอาซีรา่าก็มีพอรอพี่น้องผมนั่งก็ฟังแล้วก็งงไม่หมดตอบโต้ต่อต อ, อ, อ, อะไรไม่ได้ก็นั่งฟังอย่างเดียวเท่นานั้งหละแต่หนังสือเนะี่อยู่ที่ผมผมจะให้ด็ออรให้ให้อาจารย์บรลจงบินกาซานเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็เอ า, เอ า, เอามาแจกจ่ายกันที่ชาอโลกพี่น้องครับ แล้ก็ถา ม, ถามว่าชื่ออะไรในบีงพิศุกุอ า, านมีไหมขวบก็มีชื่อยูลกิฟลีได้พิสูจน์แล้วว่าพุทธเจ้านี่ชื่ออะไรนะยูลกิฟลีวะลอหุอัลลอแต่ว่าพือน้องมุสลิมมันคนใะยุคกับเรานะใช่ไหมเราเนี่ยยุคของนบีคนไหนนะวิคนไหนนะวิษก็คือนบีม uh ุฮัมมัดสุลตัลลอฮฺุฮามดียูฮฺอัลสลามฉะนั้นเราวันนี้ จะยอมรับพระพุทธเจ้าเป็นมุสลิมจะอีเรื่องหนึง่งแต่วันเนี้เราเนะี่ยอยู่ในยุคของใครยุคของนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะฮ์อาเลยฮิวสัลลัมเราก็ต้องยอมรับใครยอมรับคําสอนของนบีมุฮัมมัดคนเดียวนะครับพี่น้องต่างหลายดังนั้นคนในยุคปัจจุบนันนี้เวลาจะเข้ากัลิม่าเนี่ยจะเป็นมุสลิมใช้ากาปัจญานตนสองคำใช่ไหมอัลชาดุอัลลอฮีละฮ์อิลลัลลอ ว่าอัชฮะดูอันมุฮัมมัดอะูลอุลลอฮคนอื่นกาวไม่ได้เพราะยุคนี้มันยุคใครเป็นเจ้าของยุคของนบีมุฮัมมัดสุลลฺลลอฮวลัยสลมจะยอมรับว่าพระพุทธเจ้าเป็นมุสลิมน่่อีกเรื่องหนึ่งพี่น้องแต่เขาพิสูจน์มาว่าน่าจะเป็นมุสลิมนะครับคนละว่าดับนะแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่คือวันนี้เราเชื่อนบีมุฮัมมัดล แล้วก็รักษาสุนัขของท่านนาบีหรือเปล่าและยอมรับนบีมุฮัมมัดหรือเปล่าเราหนามาดเหมือนที่ท่านนาบีสอนหรือเปล่าเราเชื่อแบบท่านนาบีมุฮัมมัดสอนหรือเปล่าเราซาลาวาะถึงท่านนาบีหรือเปล่าวันนี้นะครับมันอยู่ที่นี่นะครับพี่น้องทั้งหลายอา้ามาดูอุไรอานต่อไปนะครับกอลูบาน ะ, ะพวกขหล้านั้นกล่าวว่าแน่นอน อัลญาอานาซีได้มีผู้ตักเตือนมายังพวกเรานะครับยอมรับไปยอมรับเมื่อไร่นูนะ่นวันอะไรตายแล้วฟื้นขึ้นมามาเยือนอยู่ในทุ่ง ม, มาชัดเพิ่งจะยอมรับว่ามูฮัมหมัดเป็นศาสดาของเราเป็นนบีของเราถ้ายอมรับบนโลกดุญญนยาจะดีไหม ถ้ายอมรับบนโลกดุนยานี้จะดีมากๆเลยแต่ไปยอมรับตอนไหนตายแล้วฟื้นขึ้นมาอยาย่นี้อลัลลอฮ์เล่าภาพของโลกอาคีรอพี่น้องอลัลลอฮ์เล่าถึงภาพในโลกอาคีรสอสไปยือย้อน่ทุกมาชัดี่น้องเพิ่งไปยอมรับว่ามุฮัมมัดนั้นเป็นนบีของเราเพิ่งไปยอมรับแต่เป็นยังไงครับฝากการรับบรรณาแต่พวกเราไม่เชื่อ แต่พวกเราปฏเิปฏเสธปฏิเสธสุนทรนาบีใช่ไหมปฏเมิเสธมายอมรับนาบีนะครับมายอมรับอัลกุรอานม่ยอมรับสองสิ่งที่นาบีนํามาทั้งหมดเนี่ยมาสอนไม่เคยยอมรับเลยไปน้องเทาไหร่ไปน้องอุมม่าของนาบีเนะี่ยมีอยู่สองสองกลุ่มนะกลุ่มแรกกลุ่มพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าอุมม่าอิจาบะอิจาบัานแปลว่าอะไรไปน้อง อิจาบะแปลว่าอุมาที่ตอบรับคำเชิญชวนของอัลลอ์และรอซูลมุฮัมมัดแล้วเนี่ยพวกเราที่ตั้งอยู่ตรงนี้ได้ชื่อว่าเป็นอุ ม, มอ์อิจาบะอิจาบะแปลว่าตอบรับคำเชิญชวนประชาชนในโลกนี้มีเท่าไหร่ครับเจ0ดพันกว่าล้านที่ยอมรับอิสลามยอมรับนบีมุฮัมมัดให้เป็นรอซูล ยอมรับอัลกุรอานพี่น้องหลกานหน้าประชางกิบลัดเนี่ยมีประมาณ 2,500 ากว่าล้านอีกตั้งสี่พันพี่น้องยังไม่รับอิสลามกลุ่มนั้นเนี่ยได้ชื่อว่ากลุ่มอ mm ah ุมะดะวอุมะดะวะพวกมุสลิมทั่วโลกเรียกว่าอ mm ah ุมะอิจาบะส่วนอุมมะที่ยังไม่รู้จักอิสลามก็คืออ mm ah ุมะดะวะอุมะที่รอการเชิญชวน จากพี่น้องมุสลิมที่เข้าใจาศาสนาไปนาะแค่นั้นวันนี้เราเนี่ยไม่ค่อยได้สอนคนอื่นใช่ไหมเอาล่ะสอนลกูกของที่ยังดื้อเลยเอาล่ะบางพริพยาผู้หญิงฟังโทรศัพท์มาหาผมเยอะหนูเนี่ยเป็นมูอัลรับรับอิสลามมาห้าปีแล้วโอ้โยใหม่ๆนะพี่นะบังคับให้หนูนมงนะมาเดี๋ยวนี้พอหนูนมาติดดีสามีไม่นมาแล้ว พอปุกถีบเป็นอย่างงี้เป็นนองภูราเป็นอย่างงี้พอปุกดาตัวใครตัวมันไม่เกี่ยวกันมันจะเป็นโยนตุมาปลุกเป็นนองพาเราเข้ามาอยู่ในศาสนานดีไหมดีอยู่แล้วแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้สัตไม่ได้ไม่รักษาเขาเรียกว่าอามันศาสนาไม่ได้รักษาตื่นก็สายใช่ไหมอิจาก็ไม่ได้นามาตใช่ไหมสุบโบก็ไม่ได้นามาต เดือนอมตะร์มาเนี่ยตอนหน้าพยาในบวชเพราะอยู่ข้างนอกแก่บวชพี่น้องมันเป็นซะอย่างนี้ในกลุ่มพวกเราเพราะนั้นอุมมะอิจาบะคือพวกเราเที่แหละที่อัลลอฮ์รับรองว่าเป็นอุมมะที่ตอบรับคําเชิญชวนแล้วแต่ไม่ค่อยจะรักษาอามันาศาสนาเพะนั้นการอบรมที่มีการอบรมพี่น้องที่บ้านผมก็อบรมที่สาลทีชนก็อบรม ที่อาจารย์บุรุษกรณีที่น้องจอกระโภครมปรรวมกันหลายๆที่พี่น้องเพื่ออะไรครับเพื่อเชิญชวนเนี่ยให้กําลังใจกับพวกเราได้เข้าใจาศาสนานี่ทีวีถูกถูกปิดนะพี่น้องนะเอารองคนโทรศัพท์กันมาเยอะมากงานะเบื่อแล้วก็มาไว้ดูละครน้าเน่าเราเบื่อมากยังดูาศาสนาทําไงลนะ่ะอ้าว <c oughs> ก็ต้องรอพี่น้องก็ทราบข่าวว่าไว้ชะท่านเปิดแล้วนะเปิดแล้ววันนี้นะแต่อีกสามช่องในกาลังรอการอนุมัติ จยา่างกหนะนะกับน้องทัวหั้นอาตอมากครับอคลูบาดาโคดจานาณีพวกเขากล่าวว่าแน่นอนจะมีผู้ตักเตือนมายัางพวกเราฝากกาซาบนาแต่พวกเราปฏิเสธพวกเราไม่เชื่ออพวกเราไม่เชื่อจะกระทำพวกเราเคยเอาอิสลามไปสอนใครบ้างเคยไหม เคยเอาอิสลามไปสอนใครบางไหมะไนะครับปฏทิเส่นะเคยไหมอัลลอฮ์ลูกถามว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนอนี่ยบางคนยังตอบไม่ได้เลยนะยังมาถามยั่ได้รำคาญไปห่าง ๆ, ๆก่อนตอบไม่ได้พี่น้องลูกถามว่ามะมะอัลลอฮ์อยู่ไหนคุณพ่อคุณพ่ออัลลอฮ์ อ, อยู่ไหนพ่อเงามืดแลวอัลลอฮ์อยู่ไหนแคเนี้พี่น้องอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์ของอัลลอ์ที่อาลีอล่านมูตะกีเนี่ยว่ยาเซอคุสซียูสซามะวะติวัลอ บันลังของอัลลอ์นั้นใหญ่เท่ากับชั้นฟ้าและแผ่นดินิลาตาคูซูฮูซิซนะตูห์ แ, ลแลลาการนอนการง่วงนอนไม่เอาอัลลอ์อธิบายไงอัลลอ์ไม่หลับอัลลอ์ไม่ น, นอนอัลลอฮ์ไม่กินอัลลอ์ไม่แต่งงานพี่น้องพี่น้องครับอัลลอ์เนี่ยถูกถูกตำหนิจากประชาชนทุกวันอัลลอ์เล่าเองนะเล่าผ่านนบีมุฮัมมัดให้นบีมาสอนว่าอัลลอฮ์นี่ถูกตำหนิจากประชาชนยังไงรู้ไหม ว่าอัลลอฮ์มีลูกอัลลอฮ์มีบุตรอ้าวศาสนาใดไหนบ้างจะสอนว่าอัลลอฮ์มีบุตรเน่ะเป็นต้องทราบใช่ไหมศาสนาไดครับศาสนาคริสต์เรานี่แหละพี่น้องที่พูดว่าอัลลอฮ์มีมีบุตรมีพระบุตรใช่ไหมแล้วอัลลอฮ์มีภรรยาด้วยชื่อนางมารยมคือเขามองว่าอัลลอฮ์กับมนุษย์มันไม่ได้ต่างกันเท่าไห ร, ร่หรอกมนุษย์ในเวลาเหงาอ่ะเข้าหาภรรยา ภรยาเหงาก็ห้าวค้าหาสามีแล้วมีลูกเพื่อมาหลล่อมันหัวใจไปน้องครับหายเหงาได้นึกว่าอลัลลอฮ์เหงาแบบนั้นหรือไม่ใช่ลาตะคูรูซินาตูเวลาอลัลลอฮ์ไม่พักผ่อนไม่นอนแล้วก็ไม่ง่วงนอนอลัลลอฮ์ไม่มีลูกไม่มีบุตรอลัลลอฮ์ไม่มีภรยาอลัลลอฮ์ไม่มีที่ปรึกษาไม่มีรัฐมนตรีไปน้อง อัลลอฮ์ไม่ต้องปรึกษาใครเลยบริหารงานแต่เพียงผู้เดียวในโลกดุนยาใบนี้กั็เป็นต้องได้เอะต่อมาครับวะฟะกุลนาแมนซาลลอหุมินชัยและเรากล่าวว่าไม่เชื่อด้วยแถมยังพูดว่าไงนะมานซาลลอหุมินชัยอัลลอฮ์ไม่ได้ทรงประทานสิ่งใดลงมาจากฟาฟ้า มาหาเขาเลยพี่น้องครับคำภีที่มาจากฝากฟ้านี่อยู่กี่เล่มต้องนึกครับพี่น้องต้องเข้าใจด้วยหนึ่งคำพีอัลกุรอานมาจากฝากฟ้าสองคำพีเตอร์มาจากฝากฟ้าสี่ซาบูตมาจากฝากฟ้าอินจีลไบเบิลนี่นะครับมาจากฝากฟ้า มีอยู่หลายเล่มอยู่การที่มาจากฟากฟาก้าข้าพูดว่าไงนะนี่พี่น้องมุสริกในโลกอาหรับวันที่นบีมุฮัมมัดยังมีชีวิตอยู่ในพี่น้องครับนบีมาสอนสอนสอนสอนพวกนี้ค้านหมดเลยพี่น้องแล้วพูดว่าไงนะมานะซัลลอฮูมิญชาอีอัลลอฮ์ไม่ได้ประทานอะไรลงมาจากฟากฟ้ า, ฟามาให้เราเลยพี่น้องคัมภีที่มาจากฟากฟ้ า, ฟามีอยู่หมด หลายเล่มด้วกันทั้งหมดนั้นถูกสังคายนาเปลี่ยนแปลงหมดแล้วมีอยู่เล่มเดียวที่ยังรักษาต้นฉบับเหมือนเดิมวันที่ถูกประทานลงมาจากฟ้าฟ้าให้กับนบีมูฮัมหมัดมาถึงวันนี้พันสี่รอกว่าปียังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลมยเเมีอยู่เล่มเดียวมีอยู่เล่มเดียวเลยเนาะ มีอยู่เล่มเดียวจริงๆพี่น้องเป็นหัวอธิษานอัลลอฮฺอธิบายในคัมภีร์ุรานอย่างนี้พี่น้องอัลลอฮฺเล่าเองนะอยากให้พี่น้องอ่านคุรานที่แปลภาษาไทยสักครั้งหนึ่งก่อนตายทําได้ไหมพี่น้องอ่านคุรานที่แปลภาษาไทยเนี่ยก่อนตายสักครั้งหนึ่งนะในคัมภี่กุรานอธิบายอย่างนี้คัมภีร์สองสามเล่มที่ผ่านมาในโลกนี้นะครับไบเบิลตาร์ลออินยินซาบูธพวกนี้นะครับพี่น้อง ให้ก่อ น, น บ, บีมูซาน บ, บีอีซาน บ, บีดาวูดใครจะใครไปน้องครับอัลลให้มนุษย์ดูแลให้บาตรหลวงดูแลให้ฮุลลมาพวกเยฮูดีดูแลให้มนุษย์ดูแลแต่มนุษย์ดูแลไม่ได้ไปน้องไปเปลี่ยนถ้อยคาไปเปลี่ยนประโยคไปเปลี่ยนสังขยาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําพีของอัลลอฮ์ หมดแล้วพี่น้องอัลลอฮ์เลยตัดในังกรกูร์อ่านว่าคัำพีเล่มนี้เป็นคมภีกูร์อานเล่มสุดท้ายฉันขอรักษาเองวาอินนาละหูละฮาฟิหุนเราขอรักษากูารอานนี้รักษาเองอัลลอฮ์ามาให้มันมรักษาอัลลอฮ์ขอดูแลเองจากการดูแลของอัลลอฮ์พี่น้องสังเกตนะครับวันนี้มีคนมีคนเด็กๆลูกหลานเราท่องจำกูร์อ่าน ในเมืองไทยกี่ร้อยครับเป็นพันแล้วนะพี่น้องนะและในโลกอาหรับเท่าไรในอินเดียเท่าไรในปากีเท่าไรในพ ม, ม่าเท่าไราพี่น้องลูกหลานเราโทษจำมาลกุอานบบพี่น้องถ้าอิหมามอ่านผิดเนี่ยพี่น้องเอาล้อติกันทั้งสุราใช่หรือไม่ใช่ยังอ่านสุราสันส้นๆอินนาอัตตอลนาหรือว่าดูฮ่าเป็นรออัานผิดเด็กเติกันหมดนอ่านผิดอ่านใหม่พี่น้อง เพราะอะไรับเพราะบรรยากาศนะเยอะตั้งหลายพี่น้องครับมีหลายคนนะอ่านคุรานที่รับอิสลามผมไปพบเมื่อวัยวัยมาเนี่ยคนนึงเด็กหนุ่มพี่น้องผมถามว่ารับอิสลามเพราะอะไรเพราะอ่านคุรานอ่านประมาณสักแปดเก้าหนะ้ารับอิสลามเลยผมก็ถามว่ารับอิสลามเนี่ยเพราะอะไรเพราะแต่งงานเฟ้าไม่เกี่ยวพี่น้องมีอยู่คนนึ่งรับอิสลามเมื่อสามปีกันแล้วนะผ่านผ ม, ผมถามว่า ชอบใครหรือเป่าเาลจะแตง่งงานปล่ไม่เกี่ยวฉันรับอิสลามเพราะฉันเนี่ยเวลามีฉัมีปัญหาทันแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ก็ไปเปิดอินเทอร์เน็ตดูวิธีรักษาวิธีแก้ปัญหาแบบอิสลามจะแก้ยังไงก็ให้ทางออกหมดเลยทางนี้สี่อย่า ง, ง, ง, งนี้สี่อย่างนี้สี่อย่างนี้ส่อย่างนี้สี่เอาล็อกไปนองแล้วก็ข้อสุดท้ายที่เขาประทับใจมากก็คือว่าเขาเป็นหมอไปนอง เป็นหมอฟันนะเดนติสลักษาจมูกเนี่ยล้างจมูกยังไงให้สะอาดไปเปิดมาลัทธิลัทธิไม่มีสอนไเลยพี่น้องวิธีการล้างจมูกให้สะอาดทํำยังไงพอไปเปิดดูของวิธีอาบน้าำละไมของนบีมูฮัมหมัดเขาสอนวิธีการล้างจมูกให้เอามือขวาใส่จอกน้ําขึ้นมาใส่ปากครึ่งหนึ่งใส่จมูกครึ่งนึงแล้วเอามือซ้าย จากลักกระสังแบบนี้ก็ว่าโอโ้หนูด้ทางออกขนาดเป็นหมอฟันพี่น้องอยางรักษาจ ม, มกูกไม่เป็นอ่ะที่คืออิสลามเนี่ยพี่น้องทั้งหายครับนี่ไงหลายคนรับอิสลามเพราะศึกษาอาลัลกรุรอานศึกษาวิธีปฏิบัติผ่านสุนานะนาบีมุฮัมมัดสุลลัลอะลัยฮิวซัลลัมครับลแต่พวกเราเนี่ยไม่ค่อยได้รู้ค่ามุสซาสนานันนะคืออ่านกุรอานก็ไม่ได้รู้ค่า ซา บ, บ้านอนะับดเลาาอ่านกุรานเขาร้องให้กันในะพี่น้องนะเขาร้องให้กันพี่น้องก็เปิดทีวีดูบ้านกันนะพี่น้องครับในโลกอาดัมหรือโลกมดอนอนะ่ะร้องให้เดลิมามร้องเดลิมามร้องเขาซึ้งนะพี่น้องพวกเราก็ไม่ได้ซึ้งร้องทําไมกันนะไอ้คาญจริงๆเลยยืนตั้งนานไม่มีปัญหาถามเยอะเพราะเราอ่านกุรานไม่เข้าใจอย่าง้องหลายนะครับฉะนั้น ให้ลูกหลานของเราได้เรียนตั้งียนภาษาอาหรับเป็นน้องแล้วอ่านกุอ่านแล้วเข้าใจอิมานมันจะเพิ่มจริงๆนะครับพี่น้องทุกทอ้าวอายาคุอ่านยกที่เก้านะครับอินอันตุมอิลลาฟิบลาลิงกะบีพวกท่านเนีย่ยอัลลอ์ตรัสนะพวกท่านเนี่ยอยู่ในการหลงผิดอย่างยิ่งคนที่ไม่เอานาบีมุฮัมมัด ปฏิเสธนบีมุฮัมมัดคนนี้หลงทางคนที่ปฏิเสธคำพีที่มาจากฟากฟ้าจากอาย่านี้นะหลงทางท่านใครก็ตามพี่น้องนี่อาย่านี้มีมีมีมี إيمان อ, อยู่สองข้อนะหนึ่ง إيمان ต่อนบีมุฮัมมัดสอง إ ي م านต่อสิ่งที่อัลลอฮฺประทานลงมาจากชานป้าก็คือคำพีทั้งหมดนะ ใครที่หันหลังให้กัมพีกุรานหันหลังให้กัมพีทั้งหมดของอัลลอฮฺพี่น้องคนนี้หลงทางคนที่ปฏิเสธนบีพี่น้องคนนี้หลงทางเราจะรู้ตอนไหนครับพี่น้องไปรู้เอานาะชีวิตพอวิญญาณออกจากร่างปั๊บพี่น้องครับรู้ทันทีเลยว่าฉันเนี่ยมาในทางผิดแล้วรู้ตอนนะครับตอนวิญญาณออกจากร่างพี่น้อง ผมอ่านน้ญาอื่นไปน้องกับในสุรบมารยามไปน้องลองอ่านดูบ้างนะในสุรบมารยามอธิบายอย่างนี้คนที่ทรยศต่ออัลลอฮ์คนที่ไม่รู้จักมุฮัมมัดคนไม่รู้จักอัลลอฮ์คนไม่เชื่อวันอาคีรอคนไม่เชื่อกฎกดอกรดัดของอัลลอฮ์ไปน้องคนที่ไม่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นแล้วก็ถูกถูกอะไรนะถูกให้ได้รับรางวัลคนทําดีแล้วก็คนทําชั่วถูกลงโทษ ถ้าไม่เชื่อนะครับๆับอลลอฮ์จะให้อายุของเขาเนี่ยยืนยาวอายุยาวกว่ามุสลิม ท, ท, ท่านคนที่แอทตี้อิสลามเนี่ยไปน้องครับอัลลอฮ์จะให้อายุยาวทั้งหมดมีตามกุมอีร น, นะไ่ต้อง น, นะถามว่าอายุยาวนะเพื่ออะไรความจริงมันมีข้อดีเหมือนกันนะพออายุยาวเจ็ดสิบปีเนี่ยยังไม่ตายเลยแปดสิบปีดีก็ยังแข็งแรงอยู่เลยเก้าสิบปียังหูยัง ยังแข็งแรงไปน้องครับอัลลอฮ์ให้เพื่อเขาจะได้หันมาเรียนอิสลามแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็แก้ไขแต่ถ้าอายุแก่แด้ไปน้องไม่รู้จักเลยอิสลามมันมเคยสนใจไปน้องเท่ากับเขาได้สะสมความชั่วให้กับตัวเองแต่คนที่มีอายุยืนยาวไปน้องถ้าไม่รู้จักอิสลามไม่สนใจอิสลามไปน้อง เท่ากับเขาได้แล้วนะสะสมความชั่วให้กับตัวเองพี่น้องพี่น้องริสกีของอลัลลอ์เนี่ยนะอลัลลอ์ให้กับคนทุกคนไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมผมขอยกตัวอย่างบุคคลที่อลัลลอ์ให้ริสกีเยอะนะใครบ้ น, นะฟาโร ฟาโร่ครอบครัวเดียวพี่น้องไม่ทราบว่ามีสามาชิกกี่คนนะมีคนดูแลสามหมื่นห้ันคนครอบครัวเดียวครอบครัวฟาโร่เลยพี่น้องครับกษัตริย์ฟาโร่เลยพี่นอ้องครอบครัวเดียวนะมีคนดูแลครอบครัวนี้พี่น้องบริหารจัดการดูแลทํานู่นทำนี่ให้สามหม้าพันคนนี่จากทัพเซตอิบโนกเซตนะครับพี่น้องทั้งหลาย ละคนสามหม้าันคนนี่กราบกราบฟาโร่หมดเลยพี่น้องล้วอลุอลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ฟาโร่รวยรวยพี่น้องทั้งหลายหลงอยู่กับความรวยของเขาหลงกับตําแหน่งที่อัลลอฮ์ให้ไม่จะขอบคุณอัลลอฮ์ไม่ทรยศแต่ทรยศต่ออัลลอฮ์อลัอลลอฮ์เมตตาส่งนบีมูซานะพี่น้องมาชี้ทางนำให้ฟาโร่กับโอโ้พี่น้องต่อสู้กับมูซานะ<อ>พี่น้องจนกทั่ง มุสาต้องหนีต้อง อ, อพยพกับพี่น้องทั้งหลายครับพี่น้องครับสังเกตนะคนที่ไม่เอัลศาสนาเนี่ยอลัลลอฮฺจะให้รีสุกีเยอะสุขภาพแข็งแรงดีเงินเยอะพี่น้องตำแหน่งการงานเยอะไปหมดแต่พี่น้องไปดูพี่น้องมุสลิมหีืพี่น้องครับสวนใหญ่เนี่ยพอมีพอกินอยู่สบายๆพี่น้อง แล้วก็เรียนศาสนากันยิ่งมีตอนทีวีออกมี้องคนสนใจศาสนากันเยอะนี่พอปิดทีวีไปเนี่ยแค่15วันที่สิวันเนี่ยโอ้คนจักสับานไปแล้งครับอะไรนะนึกเราเนี่ยอยู่ห่างศาสนาพี่น้องเพราะหลายคนเริ่มนมารหลายคนหันมาอ่านอลัลกุรอานหลายคนพี่น้องบอกลูกต้องคุ ม, ยายามนิยญญาลูกไมนคุมพิยามไม่ได้แม่ถูกลงโทษจากอรรถพี่น้อง ฟังศาสนา้ทำหัวใจมันสงบจริงๆนะครับไปต้องทำอะไรเอามาด nah. ูกรอานต่อนะครับไปนอนอายะที่อายะที่สินะครับก็ว่าก็ดูแล้วกุนนัสมาอูน่ากิลูมะกุนาฟีอัลฮะบิสัย وقالوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَفْحَابِ ا ل س َّ ع ِ ع ي ر ِ <ير> และเขาล่า ว, ว่าไปว่า ว, วานันนู้นไนนี้อัลลอฮเล่าภาพในโลกอาคิร์ทั้งหมดไปสำนึกตัวเรากล่าวสรภาพวางไงนะลากุณาถ้าหากเราเนี่ย นัสมากแปลว่าได้ฟังเาลาทุกวันนี้ฟังเพลงหูน่ะฟังเพลงไปน้องแล้วก็ตาดูละครอ่ะคุรานไม่เคยฟังเลยาศาสนาไม่เคยฟังเลยไปน้องมีไหมเยอะี่น้องมุสลิมเราก็เหมือนกันไปน้องยังไม่ได้ฟังกุรานอ่ะนีไหมมานั่งม ไปสํานึกตัวได้ตอนไหนตายแล้วฟื้นขึ้นมาพูดว่าไงนะถ้าหากพวกเราได้ฟังฟังอะไรก็ได้ฟังกุรานได้ฟังขัตติได้ฟังการอบรมศาสนาผ่านนาบีมุฮัมมัดหรือผ่านส่อบาป น, นาบีหรือว่าผ่านคุณบรรดาปุรู้ในยุคนั้งหลังๆนี้พี่น้องอาวุณะปีลหรือเราชายปัญญาพี่น้องอ๋อพี่น้องเรื่องศาสนาเนี่ยนะ ไม่ต้องไปใช้ปัญญาเลยทำตามอย่างเดียวถ้าหากจะใช้ปัญญาใช่อย่างนี้ทำไงจะให้ลูกเรานั่นเข้าใจศาสนาเออมาใช้ปัญญาอย่างนี้ดีกว่าทำไงจะให้ภรรยาเราเนี่ยคุมจิตใจเ อ, อ๊ทำไงจะให้สามีเราเนี่ยให้เลิกสูบบุหรี่เนี่ยมาใช้ปัญญาอย่างนี้พี่น้องหาวิธีที่ให้คนเข้าหาศาสนาคำว่าใช้ปัญญาเนี่ย ไมใช่ปัญญาเกี่ยวกับศาสนานะไม่ใช่นะเรื่องนมามาต้องใช้ปัญญาเลยพี่น้องอ่านจากที่ท่านนาบีสอนแล้วก็ทําตามกุรอานอ่านจากกุรอานความหมายประมาณแล้วก็ทําตามกุรอานพี่น้องจะใช้ปัญญาก็ทําไงญาติพี่น้องเราทะเลาะกันเนี่ยเออเราจะทําไงจะให้เขาทัน ด, ดีกันชายปัญญาตรงนี้คิดพี่น้องนบีสอนอย่างงี้สามีภรรยาทะเลาะกันญาติทะเลาะกัน ทำไงจะให้เขาดีกันกหกได้่น้องโกหกได้คนมาฟังศาสนาเยอะๆแต่เห็นคนทะเลาะกันดีไหมไม่ดีเห็นลูกเมินนะมาซูโบเนี่ยแม่ก็มาสบายใจแล้วถ้า้าใจศาสนาลกลู ก, ล ก, ลกนอนดึกแล้วก็มาสบายใจชายปัญญาทำไงจะให้ลูกนอนหักค่ำทำไง ทำงางจะให้ลูกทานอาหารและแม่ใหว้่นเยอะๆทำยังไงต้องใช้ปัญญาพี่น้องต้องอ่านหนังสือจากหลายๆเล่อพี่น้องฉะนั้นญาติพี่น้องทะเลาะกันพี่น้องไม่มองหน้ากันมาตั้งหลายเดือนแล้วไอวางแผนทํำไงดีซื้อผลไม้ตังเราเองพี่น้องไปให้บ้านนี้บอกบ้านนู้นฝากมาอันนี้ไปยิมกิ้งจิ้งอีสอาปิศนึงก็ซื้อของไปให้บ้านโน้นกว่าบ้านนี้ฝากมา ก็วางแผ N, นไปน้องก็หกบ้างอะไรบ้างเพื่อจะให้บ้านสองบ้านนี้ครับดีกันคนที่คิดแบบนี้ก็คือคนที่อ่านกุรานอ่านอ่านอัลกุเยอะๆไปน้ อ, น อ, นนองแต่ถ้าไม่ฟังศาสนาเลยเลาะทลอ ะ, ะไปเลือกของมันฉันไม่เกี่ยวฉันอยู่สบายแล้วไปน้องทั่นไม่ใช่เลยไปน้องแหละฉันคนที่เข้าใจศาสนานี่เป็นหวงคนไปหมดไปน้องลูกไม่ น, นำมาสุโบรเราก็ไม่สบายใจบ้านตินมัสยิด แต่ไม่เคยไปนั่งมาถึงมัสยิดเลยแม่ก็ไม่สบายใจพ่อไป น, นมาถึงแล้วพาลูกไปด้วยแม่จะกำกับหลายๆเรื่องไปน้องที่พ่อเป็นหัวังาศาสนาไงไปน้องครับเพราะฉะนั้นกุราณาญานี้ไปยอมรับที่ไหนเรากุนนานัสมาเอาถ้าเราได้ฟังอลลรไปน้ อ, นองฟังาศาสนาเยอะๆไปน้องเอาหน้ติลุหรือเราใชารรา้ปัญญาเพื่อให้คนได้เข้าใจาศาสนา ใช้ปัญญาไป้อง<ม>ในเรื่องศาสนาเนี่ยมันต้องไม่ต้องใช้ปัญญาเลยทําตามนาบีอย่างเดียวนบีว่ายังไงทำตามนาบีไปลองกับซุนน่านาบีเนะี่ยไป้องกับเวลาสุญูดเนี่ยนะต้องให้เท้าเนี่ยติดกันนะตอนสุญูดให้เท้าอะไรนะให้เท้าติดกันแล้วก็ให้งอตรงนดิดนิดด้วยหันหน้าไปทางกินหลับ แล้วก็ตักเบสเนี่พี่น้นองยกมือในนามาดอ่ะพร้อมกับกล่าวตักเบสแต่มีอยู่สีแห่งนะอัลลอฮฺอักบาร์ักเบอยารอมครั้งแรกนะตักเบสยกมือครั้งที่สองก่อนจะรุกข์อัลลอฮฺอักบารต้องยกมือก่อนนะอันที่สามเงยจากรุกข์อัลลอฮฺฮุลิมันฮามิดาแลด้ยกมือรับบานาแล้วก็ลัมดุอีสามแล้วนะ อันที่สี่แหล่งที่สี่นั่งอัจหิยาครั้งที่สองครั้งแรกก่อนน่ยยืนมาทํารติที่สามให้ยกมืออัล็อกเอายืนทำอารตที่สามะต้องยกมือตกลงว่ายกมือในนามาดมีอยู่กี่ที่นะสีท่ที่หนึ่งตักบิดยัฮลอมอันที่สองกอรุกัวอันที่สามเงยจากกรุกัวข้อที่ส นั่งอัตหยายืนทํารกราดที่สามให้ยกมือนี่สุนัขนบีถึงเขาทําตามนาบีอย่างเดียวเอ๊ะฉันเรียนมาจากบ้านเขาไม่ยกมือกันน่ะอันนั้นที่บ้านสอนกับนบีสอนไม่เหมือนกันบางทีที่บ้านสอนเหมือนเหมือนนบีก็มีแต่ที่บ้านบางทีที่บ้านสอนไม่เหมือนนบีก็เยอะใช่ไหมอ้าวจะทําตามใครพยายามทําตามนาบี เออเราไนมะ่เคยเห็นหน้านะบีทําตามยังไงอ๋อเขามีฮะดีสมีคําอธิบายจากฮะดีสมีอยู่คําตัปสีตอธิบายไว้ฮะดีสอธิบายทําตามพี่น้องทําตามโซน่านะับดุีด๊ที่สุดนะครับพี่น้องต่อรา้านแค่นั้นไม่ต้องใช้ปัญญาเรื่องาศาสนาแต่จะให้คนเข้าห า, าศาสนาใช้ปัญญาได้จะให้คนดีกันใช้ปัญญาได้นะครับแล้วก็ปรึกษาผู้รู้จะทํำยังไงเนี่ย ที่บางคนมีกากันมาพี่น้องครับเมื่อก่อนเนี่ยเราเราเข้าใจผิดผิดกันเยอะนะพี่น้องอย่างแม่ไม้เนี่ยสามีตายสามีเลิกต้องการจะแต่งงานกับสามีคนใหม่เนี่ยเราอบรมกันมาบอกว่าผู้หญิงมีสิทธิ์ในตัวของนางร้อยเอร์เซ็นเลยจะแต่งงานกับใครก็ได้ไม่ต้องแจ้งวารีแล้วก็ พาไปแต่งที่ไหนเพชรบุรีพังอะไรบ้างให้ห่างไปประมาณจี่ร้อยกิโลสามร้อยกิโลไปน้องไปจังีิปัตตานียะลาแต่พ่อยังอยู่นะไม่ได้บอกเขาว่าน้องการแต่งแบบนั้นผนะิดเพราะพ่ออยู่ถ้าไม่บอกพ่อไปน้องอเราเข้าใจประจายผิดว่าฉันแม่มา้ายใช่ไหมแม่มาย่ยมีสิทธิ์ในตัวเองใช่ คำว่ามีสิทธิ์ในตัวเองบอกว่าเลือกแต่งงานกับใครก็ได้พ่อบอกแต่งกับคนนี้หนูไม่เอาจะเอาคนนี้เอาเศรษฐีของหนูอะ่ะแต่จะมีกาเนี่ยต้องใครนะต้องแจ้งคุณพ่อก่อนถ้าคุณพ่อไม่มีก็ปู่มีไหมอาปู่ไม่มีก็พี่ชายมีไหมต้องตามขั้นตอนที่ท่านนาบีวางไว้เนี่ยข้อผิดพลาดข้อหนึ่งที่เรามิกานแล้วก็ไม่ได้บอกบอกพ่อหรือพี่น้องอ้นี้ผิด จากนั้นอยู่กันแบบจีน่าเนี่ยก็ยะนะุติน้องนะฉะนั้นถ้าเรารู้ตัววันนี้เราผิดก็หยุดพี่น้องปฏิกิาใหม่เปล่าพ่อท่านแต่งงานทุกคนเนี่ยพ่อให้เปล่าพ่อฉลาดนะพ่อให้อยู่แล้วดองไปทําอะไรมันแค่น้ำประเชิงนี่ยพี่น้องดอเป็นสิบปีไม่ใช่พี่น้อ ง, อ ง, องรีบพ่อที่ฉลาดพี่น้องถ้าลูกชอบใครรีบพาทำปฏิกิิยานีา้ไปจบๆด้ว ย, วยถามปฏิกิราจะต้องลงทุนเชื่อแทะสักสิบตัวได้ไหม ให้บอกไม่จำเป็นเลยพี่น้องขอให้มีวุบามีพยานสองพอยักพอแ้แล้วอัลลอฮดุลีลแบบพี่ท่านนาบีในการแต่งงา น, นพี่น้องอลัลลอ์มีเจ้าบ่าวเจ็คนท่านนั้นเองไม่อยาลงทุนเยอะพี่น้องนบีแต่งงานกับภรรยาหลายคนแต่มีอยู่คนเดียวนบีเชื่อแท้ตั้งหนึ่งตัวพี่น้อง นอกนั้นาเนี่ยม่ได้เชื่อแพทย์เลยไม่เลี้ยงอะไรอินทผลัมกับนมเห็นไหมง่ายไหมดีวันนี้เราต้องการนะนะต้องการแต่งงานง่ายๆแต่งงานง่ายๆพี่น้องเพราะดีนามันไม่มีแต่ว่ถ้าหากเราไปทําเรื่องดีกามันเรื่องใหญ่เนละพี่น้องดินาตามมาเต็มเลยเัราะฉะนั้นเราม่ต้องการให้บ้านเรามีคนทํำดีนา สักคนหนึ่งคือน้องให้ถูกต้องตามสุนนะบรกัต์ปา ม, มาเต็มเลยนะเมันงนะนั้นถ้าเราใช้ปัญญานิดนึงนะด้านาศาสนาพี่น้องไม่ต้องไใช้ปัญญาแต่วิธีการจะให้คนเข้าใจสุนนะใช้ปัญญาอย่างอาจารย์กรณีเนี่ยจัดอบรมในสถ า, านที่อย่าง ห, หมายพี่น้องแอร์เย็นฉ่าพี่น้องใช่ไหมแล้วมีอาหารเลี้ยงด้วยหรือเปล่าหรือแต่คนแต่ซื้อนี่ไงพี่น้องครับวางแผนะนะ วางแผนให้คนเข้าใจศาสนาดึงคน้คนสนใจาศาสนาพี่น้องครับดีหมดเลยเอาต่อมาเนีย่ยอาจารย์จะสีสลักเพชรมาแล้วมาคุณนบีอัลฮาบิไซเราจะไม่ได้อยู่ในหมู่สหายแห่งเปลืเพิงเราจะไม่ตกนรกอัลลอฮถ้าตามสุนนะบีพี่น้องไม่ตกนรก ถ้าตามอัลกุรอานอาศัยบุญลมะอธิบายไม่ตกนรกที่ตกนรกนะพียน้องก็คิดเองชายเองชายปัญญาเองเพียงน้องฉะนั้นถ้าเดินตามกุรอานเดินตามสุนนะอันนบีโดยอาศัยบุญลมะมาสอนเพียน้องครับนั่นละปลอดภัยที่สุดในเดือนมอนจะมาแนละ้วข้าขอท่านเพียน้องว่าใครที่บวชค้าว่ายังมีมาของปีทีแรกนะถ้ามียังมีอีกยี่สิบกว่าวันใช่ไหม อาจารย์ยาซีนเชิญเลยคข้างบนผมเชิญเลยไปน้องอีกยีวันจะข้าบวนแล้วเอาเทนั้นของของเก่าก็ต้องไรนะก็ต้องใช้นี่ให้หมดก่อนเอาละครับผมขอจบเพียงแค่นี้นะครับสลามอะลัยกุมห์มุลล์์มลลาห์มามลุลลลาลาลามลลาุลามุลาลาลมุ وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك ل ا, أ ع ل ملنا إلا معلمتنا ا إنك أنت ا ل عليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله ا ل ع ل ا ل ي ول ا ل ع ظ ي م ربشرح لي صدر ي و ي س ر أمر ي وحل البقرة من لسان يفقه قولي ربنا ف ت ح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل ร ن ت ัทอาจารย์มุ ب กฟาอย ท่านครูบริลก า, านีบริสุทธิ์และพี่น้องมุสลิมีมุสลิมาทุกท่านครับประทับโดยนิราครับวันนี้เนี่ยแม้จะมาช้านะครับแต่ก็บอกว่าต้องมานะครับวันนี้ถือว่าเป็นบริการเป็นความจําเริญ น, นะครับที่เราย้ายมาสถานที่แห่งใหม่นะครับจึงไม่อยากที่จะพลาดโอกาสดีๆแบบนี้นะครับอยากจะมีส่วนร่วมความดีแบบนี้แม้จะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยก็าตามนะครับและผมจะมาระยะเวลาไม่มากก็าตามนะครับ ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนนะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านอาจารย์ตสภาได้กล่าวว่าในเบื้องต้นนะครับว่ามีสองสิ่งครับที่ท่านรสูลอัลุลานชับเราเน้นย้าให้เราได้จารณนครับว่าเมื่อใดก็ตามที่เรายึดตามสิ่งนี้นะครับแน่นอนเราไม่หลงทางสิ uh ่งที่ท่านรัูลอัลุลาบอกกับเราไว้นั่นคืออัลกุรอานกับอัลฮัมดุลิลลาฮ์บวนอัลกุรอานท่านอาจารย์ตสภาดีเสน ได้มาอธิบายนะครับสเต็ปวันสเต็ปนะครับทีละสะเต็ปสเต็ปไปนะครับทีละเล็กทีละน้อยนะครับตั้งแต่เบื้องต้นไปจนกระทั่งว่าขยายความอัาทำได้แล้วครับส่วนนี้มีอยู่วันนี้เราทำได้แล้วครับผมได้นําส่วนหนึ่งที่ยังเป็นส่วนที่2จิ๊กซอว์แผ่นที่สองที่ท่านรัศกรศรีวโรกเขาซ้ำได้บอกว่าถ้าเรายึดสองสิ่งนี้ไว้เราจะไม่หลงผิดคุณอ่านว่าไปแล้ววันนี้ครับสิ่งนี้ครับฮัตติครับฮัตติคือ วจนะของทารลลลองอัลสลัมและรวมถึงการกระทาการยํารับของทารลาโลลออัลัมินั้นมีเป็นแสนฮัจจินะครับแต่ท่านีมามนา ว, วีได้เลือกคัดสรร น, นะครับเอาเป็นหัจจิที่เป็นหัวกะทิในแต่ละเรื่องที่มันครอบคลุมทุกมิติในการใช้ชีวิตของมุสลิมเรา ไว้เป็นหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือภาษาหรับชื่อว่าอัลอารบะยีนะอันน่าววยะสิทธิ์ขัดิษฐของท่านอิหม่ามนโววีที่ท่านได้คัดสรรอาไว้เรียกเอาไว้นะครับในนี้ก็จะมีหลายสิ่งหลายประการนะครับที่มันจะครบเครื่องในการใช้ชีวิตเบื้องต้นในการที่จะรู้จักอิสลามทุกมิติต่ตางๆนะครับถ้าเรารับจากขัดิษเล่มนี้คิดว่าพอเพียงแล้วนะครับยิ่งไปกว่านั้นถ้าใครมีความตระหนัตมีความนึกซึ้ง เขายิ่งได้รับแก่นที่เป็นสาระของชีวิตของเขาก็ว่าได้งนั้นเราอัานธมได้เลยนะครับคุรานมีแล้วท่านอาจารย์อุสสาฟานะครับเป็นหลักถ่ายที่บันทเซกนะครับส่วนส่วนที่ที่วันนี้มาเสริมนะครับก็คือฮะดิษของชาวเรารสุรบอสระบาะของอัสสลามตั้งใจว่ า, าจะได้ะดิษนี้หนังสือเล่มนี้นะครับเป็น เ, เป็นหนังสือที่เราเรียนกันเป็นหลักสูตรทุกวันทุกครั้งที่เรามานะครับก็ ยึดฮะดิษยอัลกุรอานมาด้วยเล่มนี้ที่ทางสมาคมจัดแจกนะครับแล้วก็ฮะดิษนี่เป็นเป็นเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้อิสลามเราก็จะยึดหะดิษนี้อาจจะเป็นผมมาหรือบางครั้งไม่ได้มาอาจารย์ท่านที่มาก็อยากจะยึดยึดต่อกันก็ได้นะครับยึดต่อกันก็สอนต่อมาฮะดิษที่หนึสองที่สนะครับแต่ไม่ได้เ่าครบ40หรือ42่สิสะดิษมันทําให้เราได้มีความครบเครื่องในเรื่องพื้นฐานของศาสนาเลยแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะครับในสีเล่มนี้ก็เป็น อภินันธนาการนะครับจากสมาคมต้นเก่าอาหรับแล้วก็มีผู้ที่มีจิตครับมีจิตที่จะทำบุญนะครับก็ได้เป็นเจ้าภาพในหนังสือเล่มนี้ถ้าจะซื้อในตอนนี้ลดอ50อนะครับจาก60บาทเหลือ30บาทแต่ว่าเฉพาะเฉพาะาผู้เข้าร่วมอบรมนะครับของสมาคมเราก็จะอภินันธนาการให้นะครับก็ไม่คิดมูลค่านะครับ นั่นคือสิ่งที่สิ่งที่เราเริ่มเลจับเป็นหลักนะครับเป็นหมวดเพื่อให้ให้เรามีประสิทธิภาพในการได้รับเติมเต็มสิ่งดีๆในชีวิตเรานะครับการบ้านอยู่ที่เรานะครับอยู่ที่เราเราต้องพยายามมารับสิ่งนี้แล้วก็ชวนพี่น้องเรานะครับคนใกล้ชิดเรานะครับแนะนํากันมาครับรูงมือกันมาในสิ่งที่ดีตอนนี้สถานที่เราโอถงกว่าเดิมนะครับรับได้เยอะกว่านะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะล้นนะครับงั้นพยายามชวนกันมานะครับ แล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่เป็นจุดแข็งนี่กว่านั้นนะครับโอกาสแล้วก็คิดว่าโอกาสมีไม่มากนะครับน้อยที่เราจะได้รับคือเรามีวิทยากรแบบท่านอาจารย์วุฒิภาอยู่เป็นสุขเป็นเป็นหลักให้กับเรานะครับท่านถือว่าเป็นเป็นผู้ชนะบุคคลแล้วก็เป็นทนะรัพยากรที่ทรงคุณค่าในสังคมลุลิมในปัจจุบันนี้นะครับมั่นใจนะครับว่า30มสิปีที่ท่านได้ตกผลนะครับในการแนะนําในการสอนจากกำลับตํารา มาโจท่ามาสอนท่านสอนครับผมจําได้ทั้ผมผมเดีนหนังสือเดี๋ยวก็รู้จักชื่อนะฮะโดยเฉพาะนามสกุลของท่านนะครับเพราะว่ามันกินใจเลยเกินนะครับเอาเพียงแค่นามสกุลนี้ก็กินขานแล้วครับอยู่เป็นสุขแล้วนะครับนะครับนั้นสีปีที่ผ่านมานะครับย่อมตกผลนะครับความคิดความอ่านประโยคแต่ละประโยคตัวอย่างที่ที่อธิบายให้เรานะครับฟังครั้งในผมฟังฟังตัวอย่างเรื่องเดียวมันกระจ่างนะครับจาก จากสิ่งที่เป็นทฤษฎีสิ่งที่เป็นเนื้อหาแต่พอเราพังตัวอย่างแล้วนั้นมันเก็ตตัวอย่างมันเข้าใจมันเข้าปไปในถึงจิตจิตวิญญาเลยทําให้เราได้มีความง่ายมีความสะดวกและมีความลึกซึ้งนะครับนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่ที่บอกว่าไม่มาไม่ได้นะครับต้องมานะครับ <S <S ที่นี่เดือนละครั้งเองแล้วก็ยิ่งไปกว่า น, นั้น <S <S กาลังจะคุยกันครับว่าเป็นไม่ได้นะครับว่าถ้าเราจัดระเบียบกันศูนย์เราเรียบร้อยแล้ ว, ลวนั้นเดือนละสักสองครั้งนะครับเราเรียนกันที่นี่แล้วนะครับเรา เรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะที่จะเผยแพร่สิ่งที่เรากำลังเรียนอยู่นี่นั้นไปตามอินเทอร์เน็ตไปตามวิทยุนะครับให้พี่น้องเราที่อยู่ตามศูนย์ที่เป็นเครือข่ายเรานะครับได้รับรู้ไปพวบคุมกันมันก็จะยิ่งจะทําให้สิ่งที่ท่านอาจารย์อุสฟาได้มาแสสลัเวลามานะครับยิ่งเพิ่มคุณค่ายิ่งขึ้นคนได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้นเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับของดีนะครับ ถ้าหากว่าเราเรารับประโยชน์ไปเพียงแค่เพียงแค่ 30- 40คนมันเสียดายนะครับนั้นพยายามพยายามที่จะทํำยังไงให้ให้พี่น้องเราที่ไม่ได้มีโอกาสมาอยู่ที่นี่นะครับได้รับรู้สิ่งที่ท่านอาจารย์มุสกาฟาได้ได้ถ่ายทอดให้กับเราได้แนะนําให้กับเรานะครับนั่นคือสิ่งที่ต้องต่อยอดกันโดยเฉพาะบางนาลีเดี๋ยวอาจารย์จับตัวกรณีนะครับคุยกันในเบื้องต้นนะครับแล้วได้รับการอนุมัติมาจากท่านนายกสมาคมนะครับท่านอาจารย์มนนานัทนา ว่าทานโชว์แต่ละมาสึกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อยอดกันคุยการวางแผนกันนะครับครับนั่นคือก้าวเดินของสมาคมเราโดยเฉพาะในเรื่องการอบรมการแนะนำอิสลามเรานะครับจนประเด็นที่อาจารย์เรองกณีพูดมาเดี๋ยวผมก็ให้อาจารย์รุสภาตอบแทนนะครับแต่วันนี้นะครับอยากจะเริ่มต้นฮะดิษสักนิด น, งนึงนะครับซึ่งถือว่าเป็นแหม่ มันเข้ากับบรรยากาศในวันนี้นะครับเราเริ่มต้นอะไรหลายๆอย่างในวันนี้เปลี่ยนสมาคมมาสถานที่นี้นะครับมาใช่สถานที่แห่งนี้ใหม่นะครับก็อยากจะให้รับฮะดิษอันนี้ซึ่งเป็นเป็นฮะดิษแรกเลยนะครับดูหน้าแปดนะครับดูหน้าแปดนะครับฮะดิษแรกที่ท่านอิหม่ามนาวีเนี่ยนํำมาไว้เป็นระดับที่หนึ่งเลยมีนัยยะสําคัญนะครับ ในยะสำคัญเลยครับว่าทําไมท่านจึงต้องเอาฮะดิษนี้มาไว้เป็นเป็นฮะดิษบทแรกนะครับนั้นพอได้เข้าไปเนื้อหาของฮะดิษนี้เราก็จะกระจ่างนะครับเพราะว่าฮะดิษที่ท่านอิหม่ามนาวีนำมาไว้นั้นเป็นฮะดิษที่ว่าด้วยเรื่องความอคลาสความบริสุทธิ์ใจซึ่งหมายถึงว่าก้าวแรกที่เราจะทําอะไรก็ตามที่เป็นอิบาร์ไดโดยเฉพาะนะครับสิ่งที่เป็นอิบาร์ได อิบาดาแปลว่าการเคารพพักดีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําแล้วอัลลอฮฺทรงรักสรงพอพระทยัยเรียกว่าอิบาดาไหมครับนั้นโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นอิบาดาขั้นแรกที่เราจะต้องทําหรือกระดุมเม็ดแรกที่เราจะต้องติดให้ถูกก็คือมีความอคลาสือความบริสุทธิ์ใจคํานี้ได้ยินกันเยอะพูดกันเยอะนะครับแต่เราพบว่าในสังคมเราหรือแม้ตัวเรานะครับมันเกิดขึ้นน้อยนะครับนั้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่ท้าทาย ครัเป็นสิ่งที่ท้าทายศักยภาพของเราเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุอัลตารานเนี่ยให้มาเป็นเป็นของที่มันล้ําค่านะครใครก็ตามที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งเข้าถึงแก่นของคําว่าอิคลาสทอาจารย์ตรงนี้บอกว่าสุบฮานอัลลอฮอย่งางไรให้ได้เจ็ดร้อยเจ็ด้อยข้านะครับมันได้มากกว่านั้นนะฮะมันได้มากกว่าความดีไม่เพียงเล็กน้อยเพียงเราใส่หย่ออิคลาสเข้าไปนะฮะมันจะเกิดพลาาังรูปภาพ คำว่าพลังทุภาพัพลังุพหัเนี่ยคือมันเรื่องใหญ่เลยนะเหมือนระเบิดเลยนะมันจะมีความยิ่งใหญ่นะครับมีพลังนะครับได้รับคุณค่าอย่างมหาศาลนะนั่นหลักสําคัญจึงถือว่าเป็นหลักนี้เลยหลักที่จะทําให้เราได้ได้รับสิ่งดีๆได้เร็วนะครับแล้วก็อย่างแรงใช่ไหมฮะอยากจะได้ใช่ไหมครับอย่างเร็วแล้วก็อย่างแรงเฉพาะในเรื่องของผลบุญผลบุญอย่างแรงอย่างเร็ว ถ้าอยากจะได้เรื่องนี้ไม่มีอะไรที่จะมีอนุภาพมากไปกว่าการความอิคลาสครับความเบืสุจใจที่เราใส่เหอะเข้าไปเนี่ยอามารอิบาด์ด้าที่เราทําทุกสิ่งทุกอย่างถ้าของเล็กก็มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้าของใหญ่อยู่แล้วมันจะเป็นดับเบิลใหญ่เลยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกต้องบอกว่าไม่บอกไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่เข้าใจไม่ไดแ้และไม่ลึกซึ้งก็ไม่ได้แล้วก็ไม่นํามาพูดเป็น ป, ป, ป, ป, ประเด็นแรกเนี่ยไม่ได้นะครับ ดูตัวก่อนนะครับวันนี้นะครับ o, รท่านอุลลลละะับใง่าว่านะครับว่า al อินมันอามาลบินนียดอามาอิบาดกิดจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาครับนั้นะผลบุญที่เราทาอามาอิบาดที่เราทากิจกรรมต่างๆที่เราทจะได้บุญผลบุญน้อยผลบุญมากจะหรือว่าจะไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนานี่แะครับอินม ri ันิุลิมบริอิมมาา ประโยที่สองทราสมมติาทงจัดว่าแต่ละคนนั้นจะได้รับตามที่ตนเองได้ตั้งเจตนาเอาไว้โอ้คานี้นี่เป็นคําที่ตะวันตกเนี่ยไปศึกษากันแล้วก็ไปวิจัยกันและทําเป็นจริงกันขึ้นมาแล้วเขาพบค้นพบว่าการมีเป้าหมายการตั้งเป้าหมายอย่างเข้มเขมเข้มเข้มเมนี่ยนะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดเกิดผลได้อเดี๋ยวมาอธิบายกันในในวันหลังแต่ว่าขอให้เราได้รับรู้สิ่งนี้ไปก่อน ครับและทารุสูลล็อกก็อธิบายนะครับอธิบายว่าทั้งสองประโยชน์ข้างต้นเนี่ยลึกๆมันเป็นยังไงฟาเมนกาเนิจิโรตุฮูอิลาลอฮิวาโรซูนี่ฮีฟาฮิจิโรตุฮูอิลาลอฮิวาโรซูนี่ฮีผู้ใดก็ตามที่อพยพไปสู่รอซูนไปสู่อัลลอฮ์และรอซูนนั่นหมายถึงว่าผู้ใดก็ตามที่ตั้งเป้าหมายเจตนาของเขาว่าเพื่ออัลลอฮ์เพื่อรอซูนเพื่อแสวงหาความโปรภานจากอัลลอฮ์สุบฮะในวาตาลาเขาก็ได้รับสิ่งที่เขาตั้งเจตนาเนี่ยคือได้รับ ได้รับความพึงพอใยจากอัลลอฮ์ได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์ได้รับสวรรค์จากอัลลอฮ์สุบฮานุอัตตาล์เอาอิมร์อัลเจนอย่างที่ว่าหรืถ้าหาว่าเขาเจตน า, าเนี่ยเพื่อเจตนาอพยพเจตนาเพื่อเพื่อจะนิกะนะครับเขาก็ได้นิกะแต่ไม่ได้บุญไม่ได้ผลบุ ญ, ไ ม, ไ, บญไม่ได้รับความเมตา Allah, าาตาจากอัลลอฮ์สุบฮานุวัตตาล์แล้วทารุสโลล์ทารุสโลล์ทารุสโลล์ก็สรุปท้ายเลยนะครับข้อมูล ทั่งหมวดปมนะครับว่าฟาฮิดยรตูฮูอีละมาหายอร์ตอีไรใครตั้งใจอย่างไรก็ได้อย่างนั้นแหละใครกพรยพไปสู่สิ่งใดเขาก็จะไปถึงสิ่งนั้นนั่นแหละนั่นคือคือแก่นนั่นคือหลักของฮะดิษนี้นะครับซึ่ง3ามสประโยคนะครับสั้นๆโดยเฉพาะประโยคประโยคแรกนะครับอินดามะฮ์มาลูบินเนียต คามันกิจาการทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่การตั้งเจตนาอันนี้ถือว่าบรรดาอุลมะบอกว่าเป็นนิสฟุดีนเป็นเครื่องหนึ่งของศาสนาเลยถ้าเอาศาสนาทั้งหมดในนั้นมาวางไว้ประโยคนี้ถือเป็นเครื่องหนึ่งเลยเพราะละมาที่เราทำเนี่ยจะสมบูรณ์หรือไม่จะได้รับผ ล, ผ ล, ผลบุญหรือไม่มีเงื่อนไขสองประการนะครับ 1. ครับต้องมีความพิคลาสเป็สุดใจสองต้องมูตาบะฮะครับต้องทําตามบทบญญัติศาสนาอัลกุรอานว่ายอย่างไรฮัดดิสว่ายอย่างไร ต้องว่าแบบนั้นนะครับนั้นประเด็นแรกก็คือต้องมีความอิคลาสใช่ไหมครับก็คือตรงประเด็นกับฮะดิษนี้เลยนะครับนั่นฮะดิษนี้แน่นอนครับต้องอธิบายการพอสมควรเลยวันนี้เพียงแค่เกินๆเอาไว้นะครับหลักเอาไว้นะครับอิชาวะนะครับข้างต่อไปคงได้ลงลึกในรายละเอียดนะครับครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะฝากไว้แล้วก็คําถามก็คงอาจารย์โนสภาอยู่นะครับทักขออนชญาตครับบิสมิลลาฮิรราห์มานิรราะม นะครับอตอนนี้ถึงเดือนร م ม ا ن น, นะครับเราจะถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องเดือนการถือศีลอดคืออะไรครับให้อาจารย์มุสสาช่วยตอบด้วยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮิมในภาษาเราเขาเรียกว่า Al ak, อัลอิมซักหมายถึงการ ยับยั้งตัวเองไม่กินไม่ดื่มแล้วก็ไม่ร่วมประเวณีในเวลากลางวันนะคือถือสินอดในพี่น้องเริ่มตั้งแต่รุ่งอรุณฝ่ายยศเสียงอาจารย์มัสชุกศในพี่น้นนองพอเสียงอาจารย์มาปา๊นี่ยหมดสิทธิ์แล้วต้องถือสินอดเรื่อยมาจนกระทั่งตะวันตก เดี๋ยนพี่น้องชีนะเราเน่ตะวันตกก็ยังนะต้องให้ต้องให้อะไรขึ้นก่อนนะอะไรนะให้ดาวขึ้นก่อนรอไปอีกครึ่งชั่วโมงหรือสส้านาทีนะ่อันนั้นไม่ใช่ของสุนานะนาบีเนี่ยพอตะวันตกนะให้เรียบละเซนอดในเวลากลางวันนี่นะครับที่ท่านนาบีเน้นก็คือไม่กินไม่ดื่มแล้วก็ไม่ร่วมหลับนอนกับภรรยาสามีในเวลากลางวันนอกจากนั้น อธิบายต่ออี้ว่าไม่ด่าไม่นินทาไม่ไม่เล่นดนตรีไม่ฟังเพลงไม่ไม่ดูละครไม่ทะเลาะกันไม่ด่ากันนะครับไม่ร้องเพลงทั้งหมดที่หยุดให้หมดไปน้องไม่ใช่ปวดเฉพาะปากนะครับอย่างเดียวไปน้องอวัยวะเพศทั้งหูทั้งตานี่ต้องถือสิ้นอดหมดไปน้องนะอันนี้เรื่องเรื่องใหญ่มากนะครับ แต่นั่นเดือนละโมตันมาเนี่ยผมมองว่าเป็นความดีเหลือเกินพี่น้องจะหาของที่ประเสริฐกว่านี้เนี่ยไม่มีแล้วดีที่สุดพี่น้องเพราะทำให้เราได้พักผ่อนในพี่น้องสุขภาพก็พักผ่อนหูตาก็พักผ่อนแล้วก็พอถือศีลอดได้พี่น้องครับอย่าลืมนะต้องอ่านคุรานเยอะๆพี่น้องแล้วก็ زيد ขุลลอเยอะๆพี่น้องนะครับครับ อีกข้อนึ่งกับถ้าเขิมเลสเซมเลยครับอะครับเดี๋ยวก็ไการถือนโอดนะครับอยากจะเสริมด้วยนะครับที่จะรัฐสภาว่าในเบื้องต้นพระธลรมลนตรครับก็หนึ่งระดับที่หนึ่งนะครับการบวชกคือการยดเว้นการกินการดื่มการทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ที่เป็นภายนอกนะครับสองบวชนี้ต้องหมายถึงว่าต้องต้องบวชบาปด้วยนะครับครับไม่ใช่ว่าบวชอหารอย่างเดียวนะครับต้องบวชบาปด้วยธรรมดาเดือนอื่นนะครับบวช ก็ต้องงดเว้นบาปอยู่แล้วยิ่งบวชนะครับยิ่งงดเว้นบาปนะครับแล้วก็ลึกที่สุด3ครับคือบวชบวชนับสู่ด้วยครับนับสู่จิตใจเราใจต้องบวชด้วยนะครับใจต้องบวชคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเป็นชะวะเป็นอารมณ์เป็นความอยากหรือพูดง่ายๆถ้าเป็นความกระหายในดุจยาเรื่องทั้งโลกนะครับบวชด้วยนะครับทำให้มันลดไปเรื่องความโกรธ ความหลงความอยากสิ่งที่ทําให้เราออกห่างจากเรื่องของอาเคีรอนั้นบวชให้หมดเลยระงับให้ได้นะครับแล้วก็ฝึกหมดนี้ให้ได้นั่นคือนัยยะสําคัญของการบวชนั้นในบีกล่าวไว้นะครับว่ารุบบ้าสออิเมนไรซาลุนเดซาอิเลนกิวับนอัปชานสาคัญมากเลยนะครับท่านนบีบอกว่ามีคนบวชเนหลายคนเลยแต่การบวชของเขาเนี่ยไม่ได้รับคุณค่าไม่ได้รับผลบุญไม่ได้รับอนิสงส์เพราะอะไรฮะเพราะเขาบวชเพียงแค่แค่เปลือกของบวชอย่างเดียวครับไม่ได้บวชบาศ นะครับไม่ในบวชนับสูเขานั้นฝากไว้ด้วยนะครับว่าบวชนั้นหมายถึงว่าต้องต้องข้อหนึ่งข้อสองด้วยบวบวบบาปด้วยแล้วก็โดยเฉพาะข้อสามครับบวชนับสูเราด้วยนะครับคือบวตใจด้วยนะครับครับข้อต่อไปนะครับีข้อหนึ่งนะครับมุสลิมทุกคนจําเป็นจะต้องถือศีลอดหรือไม่เตี้ยบอกเขาเป็นมุสลิมโมกมิง น, นะแล้วเขาก็าจะเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ ที่จะต้องถือศีอดครับอ๋เป็นคําถามที่ดีมากเลยครับมุสลิมทุกคนพี่น้องต้องถือศีนอดแล้วก็ต้องมีค่าเรียกว่าอารกิลบาลิซด้วยนะอ่านิติภาวะนะครับสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายคนที่ไม่จงถือศีนอดก็ยกเว้นเช่นผู้หญิงที่กําลังตั้งตั้งครร กาจจะคลอดบุตรแล้วบางทีบางคนก็บวชไว้นะก็บวชแต่ถ้าบวชไม่ไหวก็ไม่มีปัญหาแล้วก็สองคนที่ทํางานหนักต้องอยู่ในเหมืองแร่ตลอดไม่มีโอกาสหยุดงานไม่ได้หยุดงานแล้วไม่มีอาหารกินไม่มีเงินใช้บางคนทํางานหนักแล้วก็ข้อที่สามก็คือคนที่ผู้หยากผู้หลักผู้ใหญ่นะบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยตลอดยังต่ ย, ยังหนุ่มอ่ะนะ ไม่จำเไม่ต้องผู้ใหญ่เดียวคนหนุม่มโดาถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยไปน้องทำอะไรโอขาดยาไม่ได้เลยหมอว่าอเนี่ยรายแรกคนที่เจ็บไข้ใดป่วยคนเดินทางไปน้องไม่ต้องบวชนะแต่ต้องไปบวชใชาผมจิตใจอาจารย์ยาซีนพูดมุตะกี้เนี่ยไปน้องผกเขายกตัวอย่างนั้นให้ทํางานเพื่ออลัลลอฮ์นะเนี่ยนี่อย่างก็ถือสึ้นอดเนี่ยเนียรเพื่ออลัลลอฮ์นะ แต่นี้บางคนเนียดถามเพราะว่าเนียดสองอย่างเนียดได้ไหมเนียดเพื่ออัลลอฮ์ด้วยแล้วก็เนียดให้ลดน้ําหนักด้วยได้ไหมไอ้ลดน้ําหนักอยู่บนบุญยาอัลลอฮนะ์นั้นมันสิ่งพอยได้พี่น้องพี่น้องไม่ได้บวชเพื่ออัลลอฮ์นะบวชเพื่อลดน้ําหนักมันลดอยู่แล้วจะได้เที่ต้องการจะให้บวชในบวชเพื่ออัลลอฮ์ลิลแลฮิวะดิวะริวาซุลีเนียดเพื่อ อ, ลอัลลอฮ์คือ ให้อิมานเพิ่มแล้วก็หวังรางวัลตอบแทนจะเอาวะเนี่ยแค่นี้แหละพี่น้องไอ้ส่วนลดน้ําหนักเนี่ยมันได้ไหมเองบาหวานลดไขมันลดโดยอัตโนมัติถึงไม่เนียดมันก็ได้อยู่แล้วนะครับพี่น้องกันตายครับแต่เนี่ยคือบบี้นีนะครับมีศาสนาที่ผ่อนปลนนะครับว่าคนบ้าคนเสียสตินี่ไม่ต้องบวชนะครับทาให้เราได้เข้าใจนะครับว่าบางทีเราเจอคนไม่ได้บวชนะครับางทีอาจจะเข้าใจนะครับว่าที่ บ้าหรือเปล่าทำไมไม่บวชเนี่ยฮะทั้งที่มีสติครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแต่ทําไมทําเอาสิทธิของคนบ้ามาใช้เลยะฮะเพราะศาสานาเนี่ยฮะอารมณ์ให้นะคนเสียสติคนบ้าไม่ต้องบวชนะฮะทีนี้พี่น้องเราบางคนเนี่ฮะสติครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแต่ไม่บวชมันก็ทําให้เราเข้าใจว่าเองบ้าหรือเปล่านะครับครับตอนนี้ผมถามอาจารย์วุฒิวิทย์อีกหน่อยนึงครับว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นเนี่ย เขาถือสิอนดไม่ได้ละ ว, ว่าเขาสุขภาพไม่ดีเขาจะเสียฟิทยะหรือต้องอาบวชชายครับเ อ, อพี่น้องครับเป็นอย่างนี้เวลาคลอดลูกมาแล้วเนี่ยถามว่าเขาต้องต้องให้นมอีกไหมถ้าให้นมลูกพี่น้องตามหลกักอักุรอานอนะสองปีนะหลังจากให้หลังจากคลอดลูกแล้วเนี่ยการให้นมลูกเนี่ยปีถึงสองสองปี ถ้าบวชไว้ก็บวชถ้าบวชไม่ไวหวนี่เป็นน้องต้องจา่ายคุณดยานะถ้าบวชถ้าเรา ร, ร, รู้ตัวเองโอฉันนี่บวชจายแข็งไม่เป็นไรเอากระบวชไว้ถ้าหากว่าบวชไม่ไหวจริงๆมันต้องให้นมลูกอ่ะเห็นไหมโอ้โหน้าน้ําม่ไดดื่มเนี่ยโอ้โหแย่เลยน้านมแห้งเลยเป็น้องลูกร้องอันตรายมาันตามมาก็จาก่ายกิณดยาไปเลยจ่ายเท่าไรมีอยู่สองทศนะก็หนึ่งประมาณ วัน ล, ละกิโลข้าวกิโลหนึ่งแซนหนึ่งเขบอกสองสองสองสองกิโลก็กระเอาเอากิโล ก, กโลรัรวยหน่อยอยากจ่ายาซีนกว่าสองกิโลไปนะอย่างผมจนกว่กิโลเดียวครับเนี่ยจ่ายพิธีญาจายจายจา่จายอย่างนี้นะครับจ่ายเป็นข้าวมันดีกว่านะครับผมครับอาจารย์ยาซีนเสร็จไหมครับเดี๋ยวอีกข้อน เ, อเดี๋ยวอีกประเด็นหนึ่งนะครับอาจารย์นุ่นฟ้าสําหรับ ผู้หญิงที่คลอดลูกในเดือน ر ม ض อนตอนนี้ต้องถือสิ่อดใช้หรือจ่ายฟิดิยะอีกก็คําตอบคล้ายๆกันแต่หาก็ถือบวชไหวภายในปีนี้นะปีหน้าเนี่ยถึงเดือนชาบานปีหน้าถ้าบวชไหวก็บวชถ้าบวชไม่ไหวต้องให้นมลูกพุณน้องก็จ่ายคิดยะไปเลยที่คลอดลูกนะฮะคลอดลูกนั่นแหละครับมันสําคัญอยู่จะต้องให้ตอนให้นม ไอ้ขอดมันมีปัญหาเราสาวันก็หายเจ็ดี่สิบวันก็หายใช่ไหมอ่าสี่สิบวันนี่พี่น้องถ้าหากว่าสี่สิวันในช่วงขอดลูกอะรักษาตัวอยู่ประมาณกี่วันนะสี่สิวันนะถึงจะร่วมหลับนอนกับสามีได้นะก็สี่สิวันนี่พี่น้องมุทิตเลยเดือนแล้วใช่ไหมเดืคนเลย <laughs> เเดือนเนี่ยถ้าว่าถ้าบวชชายได้หรดีกล่าถ้าบวชชายไม่ได้จ่ายวิทยาไปเลยถ้าบวชชายได้ก็บวช นะครับถ้าบวชถ้าส่วนใหญ่บวชไม่ไหวอยู่แล้วพี่น้องคลอดลูกมาต้องให้นมลูกอีกก็ได้อีกพี่น้องก็จ่ายพิธียาตไปเลยนะครับจ่ายวันออกบวชก็ได้พี่น้องทั้งหลายครับศาสนาก็อนุญาตให้ปฏิบัติได้นะครับเดือนนี้เดือนซาบานแล้วใช่ไหมครับครับอาจารย์วันที่วันที่เก้าแล้วไหมครับวันที่เก้าแล้วเนี่ยตอนนี้แปดหรือเก้าเก้าก้าอ่ท่านอามีมีสุนนะให้ถือศีลอด อะไรบ้างครับเดือนชาบานครับเดือนชาบานเนี่ยนบีจะถือสินอดเยอะมากเถอถือติดต่อไปบางทีหวันสิวันเลยพี่น้องแล้วพอหลังจากใกล้ๆระมบอส น, นี่นบีจะไม่ให้ถือแล้วนะเดี๋ยวมันจะไปสับสนกันนะครับแล้วก็มีกาครคำอธิบายนะที่มิชการบอกว่าอย่าถือเยอะเดีย๋ยวพอเข้าโบนจริงๆถือไม่ไหวอกีกพรเพียรมาตลอดดังนั้นถ้าจะถือก็ถือภายในสิหวันเนี่ยนะ วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบ้าชาบาเนี่ยให้ถือเยอะหน่อยด้านมันอิปนาห น, นะครับครับ